หลังจากทงวัดเสรจเสร็จแล้วก็เราก็ปฏิบัติทำกันก็ดูลมหายใจก็ได้หรือว่ายกมือสั้นจังวะหรือว่าท่านใจพันทำก็ได้ก็ให้อยู่ จิตกายกับใจอยู่ที่นี่อยู่ที่ปัจจุบันถ้าจิตเผลอไปคิดหุนซ่านไปนี่ไปโน้นอดีตอนาคตก็ ให้กลับมาทำความรู้สึกตัวก็รู้เดิมไปแล้วก็รู้เพอไปก็รู้ให้กลับมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็อย่าไปจิต ปรุต็มไปสร้างเรื่องต่อเรื่องใหญ่เรื่องยาวๆก็รู้แล้วก็กลับมารู้แล้วก็กลับมากายกับเครื่องหมายนี้ก็คิ ด, ดีก็เป็น ชีวิตประจำวันพวกเราก็ทำการบ้านไปแล่งไปเที่ยวดลื่อทำอาหารก็ดีทุกเวลา เขาราก็เครื่องไหวบัญชีก็เครื่องไหวยกมือบ้านเดิมบ้านเราก็ให้รู้รู้สึกตัวทำเพื่อจะ ทำปัจจุบันนี้ทำอาหา ร, ก, าหารก็เพื่อทำอาหารเดินก็เพื่อเดินก็ไม่ต้องเนี่ยคิดเหตุผลมากให้อยู่กับปัจจุบันรู้สึกทางกาย ทาืใจดจากรูปดูจากนามืูโลกนามโลกไปสับสมทานกายก็ให้ทางกายทานใจก็ให้ทานใจ บางทีเจ็บปวดหิวกระหายก็ให้รักษาให้บรรเทาความทุกข์ต่างกายถ้าเป็นทุกข์ตางใจก็จนนั้นมันจิตมันปรุนเตน หรือว่าเกิดตังหัสอดผาดามไปก็ให้รู้รู้แล้วก็ปล่อยไปรู้แล้วก็ปล่อยไปเรื่อยด้วย ชีวิตของเราก็ก็วันหนึ่งก็มียี่สิบสีชั่วโมงถ้านอนก็ให้นอนตอนที่เดินอยู่ก็พยายามที่จะ ใช้เวลาใช้โอกาสให้รู้สึกตัวตักางครื่องไหว้ดูใจถ้ารู้แล้ว <c oughs> ก็สติพลังก็มากขึ้นเรื่อยเรื่อย ดูไปสิ่งที่เป็นทุกข์สิ่งที่เป็นสุขก็ดูไปดูสึกตัวก็ตามไปเรื่อยๆแล้วก็ม่ตอน ว่าตาตัวเองว่าทำไม่ได้ทำไม่ได้ก็ไม่ต้องก็ให้กลับมาตอนที่เราว่าทำได้ไม่ได้จำไม่เก่งถ้าพูดอย่างนี้ก็เป็นปตามพบชาติอยู่แล้ว ก็ให้กลับมาก็ปล่อยได้ท้งหาปัทธานชาภกความ จ, จรามรณะนี่ก็ดับไป ท, ทันทีถ้าดับแล้วก็ความอภิ อวิชชาความเมื่อความหลนเขาดับไปข้เราก็เข้าใจมาขึ้นปฏิจจสมประบาดเป็นยังไงว่าเต็มวนจอม ตั้งแต่อบิจาร์ความไม่รู้ตัวเป็นเหตุไปสังขารจิตปรุนแต่งกิดปรุนแต่งเกิดขึ้นบิญญานามารูปก็ เกิดไปเรื่อยๆสายยต น, นะภาษ เ, าเราก็สัมปัสกับโรคว่าเป็นอะไรเป็นอะไร จมูกริ้งกายใจก็ว่าในภพนี้ก็เกิดสี ก็เกิดไปเรื่อ ย, อยแล้วก็เกิดทุกขเวทนาสุ ข, ขเวทนาทุกขามาสุ ข, ขเวทนาแล้วก็ให้รู้จุดนี้มาเป็นอย่างนี้สัญญาก็เกิดขึ้น ก็เราก็รู้จุดนี้แต่ดูแล้วก็เป็นธรรมชาติน่งเองก็เป็นไปตามเหตุปจัจจธรรมชาติไปถ้าเราย่งเขียวคือเราก็ ก็อยากเอาอยากจับก็ยุดมั่นถือมันไปก็เรากล็ลมไปในความคิดบ้านมาโนภาพบ้าน เืตัวแล้วก็มีพบชาเกิดก็เป็นตัวเป็นตนเป็นขอนตนเป็นสัตบุตรกรมมันสารพัดก็เกิดขึ้นในโอกนี้ แล้วก็เราก็เห็นโลกจากแง่ของตัวเองจังเธอเป็นอย่างนี้อย่างนั้นหรือชอบอย่างนี้อย่างนั้นก็พิธีนี้ ดีิธีน้ำไม่ดีก็กิดไปแล้วก็เห็นโลกเห็นของเอิงก็รู้สึกว่าลดอาจบ้านมันยืดยิบบ้านไม่พอใจบ้าน เพราะว่าเราก็มันแหงแง่ของตัวเองยุดติดกับทัศนะของตัวเองอยากได้นี่อยากได้นังของตัวเอง เชื่อจากแง่ของตัวเองก็เลยไม่ปอใจก็เกิดขึ้นถ้าเราไม่ได้ยุดมันถือมันหรือว่าพบชาติไม่ได้เกิดก็แค่นั้นเป็นเจนนังเอ็นได้ แหงว่ารูปแหงว่านา้ำไม่ได้เป็นตัวไม่ได้เป็นตรงก็แล้วแต่มันธรรมชาติาเลื่อนเลือนแหงกบวนจม รอบหนึง่งรอบเล่าไปาก็เราก็แค่แหมว่าเป็นอย่างงาั้นเป็นเจนนังเองเจนนัเนงเองอยู่เป็นปกติสบายสบยเพราะเราไม่ได้ยึด มันถือมันเป็นอิสระจากสินใดสินนั้งด้านนอกด้านในเพราะว่าเราก็ไม่ได้เถึกดึงจากนั้นจากนู่นไม่ได้จิตมา ไม่ได้ติดไปอยู่ไปเรื่อยๆไม่ได้เป็นธาตุของสิ่งของเป็นลักษณะอาการเป็นกิจเป็นทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นอิสระ อิสระแท้ถ้าเราก็บันทีก็มันก็ทุกข์แต่ว่าทุกข์นี้ก็แก่เห็มมันเห็นแล้วก็ไม่ได้ทำลายเราเราเรียนรู้บทเรียนจากความทุกข์ได้ เพราะว่าเราก็ดูทุกไปเข้าใจแล้วกม็มันมีสาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ <c oughs> ก็เราก็เจ็บกายเจ็บใจถ้าเป็นหมูก็เรียนรู้ทางกาย ว่าความเจ็บความปวดมาจากไหนนิตวิจัยก็รู้ว่ามีสาเหตุทางกายอยู่ก็พยายามที่จะช่วยรักษาคมผู้ป่วยให้ ถ้าพวกเราจะเป็นหมอได้ทานใจทุกคนถ้าเราก็รู้ความปวดเจ็บทานใจความคือความทุกข์ก็เห็นแล้วกเออ็เห็นสาเหตุเข้าใจ ทุกเวลาทุกนาทีมีความทุกเกิดขึ้นตามใจก็เวลานั้นก็มีความยึดมั่นถือมั่งถ้าเรารู้อ๋อปล่อยได้ สิที่เห็นถูกเห็นสิ่ที่ถูกเห็นนี่ไม่ใช่เป็นผู้เห็นมันเป็นกรงลอย่างกันเราเห็นมันนั้นไม่ได้เอาเชื่อไปไม่ได้ให้พลังต่อ นั้นเราปล่อยไปก็เป็นอาการมันก็ดับไปมันมีหนทางทำให้ดับทุกมีอยู่ แล้วก็ความดับทุกข์ก็มีอยู่เขาเป็นมัดเป็นนิโรธความรู้สึกตัวสติ เป็นตัวเคลื่อนที่รืดดับทุกได้ทันทีไม่จำกัดการเราก็เข้าใจครบสีอย่างเป็นอริยสัตว์สี ทันแต่เกิดสมตายเป็นธรรสินติทำให้เกิดทุกข์แล้วก็เราก็รู้สุขตัวปล่อยมันก็ดับไปดับความทุกข์เราก็เป็นโมได้แล้วรักษา ทุกตานใจได้ด้วยต่องแอนไม่ต้องหาสิ่งเคลื่อนหรือว่าไม่ต้องไปหาโมจิตปิตยาโมจิตภะสาเราช่วยตัวแอนได้ ดับทุกได้มีความสามารถอยู่อันนี้ก็บางความเมตตาการุณาก็เกิดขึ้น เพราะว่าเราก็ช่วยตัวตัวเองได้แล้วก็เข้าใจมันเพราะความทุกข์เกิดขึ้นอยู่ก็เราก็คบคุมความทุกข์ความทุกข์เราให้เรารู้จากเข้าใจธรรมะ เพียงอารยสัสสีปฏิจจสมพบาทก็มาจากความทุกข์เราก็ตั้งแต่เข้าใจตั้งแต่กือทุกข์ฉนตื่นดับทุกข์เข้าใจก่อน สังขารก่อนตทำถ้าช่วยรัวตัวเองได้ดีแล้ว <c oughs> ก็เราก็เอาใจใส่พือผืนได้ด้วยก่อนที่เป็นทุก วาไม่ใจเป็นคนนั้นไม่ดีคนนั้นไม่เก่นอะคนนั้นเออไม่ดีแก่ไม่แก่นแก่ไม่รู้ความมือดอยู่ท่านเท่านั้นคนนั้นความโกรดคนนั้นอิจามีจาริศยา คนน้นมีปิคะแก่ไม่รู้ตัวถ้าเขากับรู้สึกตัวได้เข้าใจได้ก็เป็นปกติได้ คนญี่ปุ่นที่เคยมาที่นี่ก็บางกองก็เล่าให้ฟังตัวเองเคยกรอดควบมจะฆ่าแม่หรือว่าตัวเองเคยกรอดวความฆ่าแฟน ่จริงๆแล้วเขาไม่ใช่เป็นคนที่เป็นเป็นรุนแรงอตะพานเท่าไหร่เห็นแล้วก็เป็นคนตรมาตาตรรมตาแต่ว่าตรนที่เป็นท่าของความคิดท่าของ ความโกรธโมโหเป็นอารมณ์ตันทางก็จะทำลายได้ทำให้ตัวเองเสียทำให้บาดเจ็บตัวเองทำให้เพื่อนครอบครัวคนที่ใกล้ชิดทำลายไปได้ เไม่รู้ตัวพระพุทธเจ้าเขาบอกว่าไม่ใช่เป็นคนนั้นไม่ดีมันเป็นเหตุนี่เป็นตัวเขาตัวเราพระพุทธเจ้าบอกว่ามันสายแหี้ก็เป็นกวิจาร์นังเองนความมืดนังเองไม่ใช่คนนั้น เป็นสาเหตุไม่ใจของเราสาเหตุก็จะให้ช่วยรือวตัวเองได้แล้วก็เอาใจคนที่กำรทุกกำรเป็นปิดปกติเสียสติไปเพราะเขาก็เจ็บใจอยู่ ตอนที่ความโกรธเราก็รู้ว่ามันทุกข์มากมันความร้อนก็อย่างนั้นแหละแล้วก็ให้เอาพ้นใจเขาก็สบายใจแล้วก็เข้าฝันได้ ถ้าเราไม่ได้เข้าใจเขาก็ไม่ได้เปิดเปิดจิตใจมันก็ปิดกั้งไว้ก็เราพูดแนะ น, นำอะไรก็ไม่เข้าไปแต่วันเราก็ให้ออกเปินใจให้บ้าน เ, าเขาก็เปิด ฟันแล้วก็เข้าใจาตัวเองก็รู้มันทุกข์อยู่ต้นหน้าตันดีจะแก้ไขรักษาอาจจะเป็นคนดีไปได้ ท, ทันทีหรือว่าไม่จีวังก็เป็นคนที่เป็นปกติมีความ เมตตาการุณาเกิดขึ้นเป็นคนดีต่อเพื่อนครอบครัวสังคมได้ต่อไปเพราะฉะนั้นนี่ก็อ่าเราก็ดีโอกาสที่ดีทุกสิ่งทุกอยา่างแมงอาการมันจิตใจมันเกิดขึ้นดับไปเกิด ข, ขึ้นดับไปใน ทุกวานเป็นหน้าที่ของเราก็ให้รู้ให้เข้าใจเราก็เอาความเข้าใจปัญญามาใช้เพื่อประโยชน์แก่ตัวเองเพื่อประโยชน์แก่เพื่อเอื่อสังคมชาติโลกไปนะครับ ก็สำหรับวันนี้ก็เวลาพอสมควรแก่าจบเพียงแค่นี้จร้พ <c oughs>